ท่านสาธารทบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่ยี่สิบสามนี่ก็ขอพูดถึงอารมณ์ของปะโสดาบันคำว่าปะโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสผ่านนปัญหาก็มีอยู่ว่าพูดมาแล้วทั้งยี่สิบตอนเศษบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาจจะฟังมาจากที่อื่น ว่าคนที่ตัดสัญ ญ, ญาณสามรายการได้ก็มีบรรลุมรคนในสองรายการคือหนึ่งพระโสดาบันสองสกิทาคามีหากว่าท่านมีความรู้สึกตามนี้ก็ถูกต้องเ <c oughs> พราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดแบบนั้นว่าประโสดาบันก็ดีสกิทาคามีก็ดีสามารถตัดสัญ ญ, ญาณสามรายการได้ แต่ว่าพระสกิทาคามีบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงถ้าคุณจะว่ากันไปถึงจริยาจริงๆพระโสดาบันก็บรรเทาเหมือนกันแต่ว่าการบรรเทาของพระโสดาบันยังน้อยกว่าสกิทาคามีเพราะว่าท่านสกิทาคามีนี่มีอารมณ์ละเอียดมากเอาไว้พูดกันทีหลัง ตอนนี้ก็มาพูดถึงองค์ของพระโสดาบันก่อนหรือว่าอารมณ์ของบุคคลที่เป็นระโสดาบันคำว่าองค์ในที่นี้อาตมาขอแปลว่าอารมณ์เพื่อได้คนที่จะเป็นระโสดาบันไดมีอารมณ์ทรงตัวแบบนี้คือหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจสองเคารพพระธรรมสาเคารพพระอริยสง์ ทั้งสามปฏิจจประการนี้เครรบมั่นคงจริงๆไม่มีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีไม่มีอะไรสงสัยว่าท่านจะดีไม่พอ <c oughs> ยอมรับนับถือแล้วก็มีความมั่นคงด้วยศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อแล้วก็มีความมั่นคงด้วยปัสสาทะ ภาษาธาตุในแปลว่าความเลื่อมใสทั้งความเชื่อทั้งความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์มั่นคงมากตัวอย่างบุคคลที่เป็นระโสดาบัที่มีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ก็มีท่านสุภาพุทธกุธิเป็นต้นแต่ความจริงทุกองค์ที่ท่านเป็นระโสดาบัง ก็มีความเคารพนับถือมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอาเรศสง์เหมือนกันแต่ว่าท่านสุ ป, ปาพุทธากุติแสดงออกชัดเจนมากอารมณ์เสมอกันแต่ว่าไม่มีใครไปทดสอบสําหรับท่านสุ ป, ปาพุทธากุตินี่มีอาการทดสอบจากพระอินทร์เรื่องราวง็ยันก็มีอยู่ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าสแสดงพระธรรมเทศนาที่ใดที่หนึ่งเขาจะมาพูดแบบนี้เพราะว่าไม่ได้นองสื่อมากลางจำสถานที่ไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าเทศที่ไห น, นเวลานั้นมีบรรดาประชาชนฟังกันอยู่มากท่านสุปปาพุทธกุฏิท่านเป็นโรคเรือนและก็เป็นขอทาน ขอบรรดาแทนพุทธบริษัททุกท่านโปรดพิจรารณาดูว่าคนขอทานก็ดีแถมไปลูกเรือนด้วยเห็นบรรดาประชาชนผูร่างกายปกติหรือว่าที่เขามีฐานะดีกว่าเขานั่งกันอยู่แล้วคนที่มีสภาพแบบนั้นสมมติเอาตัวเราเองก็าเดีวกันเยอจะกล้าไปนั่งใกล้เขาไหม ก็ขอตอบด้วยความจริงใจของตอมายำไเองว่าไม่กล้าเข้าไปนั่งใกล้อายเขาเกรงบา ร, รมีของเขาบา ร, รมีคือความดีด้วยความร่ำรวยเขาอาจจะจนสาหรับคนอื่นแต่รวยกัเราเราก็ไม่กล้าไปนั่งใกล้เขาดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสุ ป, ปาพุทธกุฏิเป็นโรคเรือนด้วยโรคเรือนนี่เป็นโรคที่เป็นบรรดาประชาชนรังเกียจ ก็เลยต้องนั่งไกลกว่าเขาเป็นอนวุวาท่านสุ ป, ปาพุทหกทิเดินไปเห็นพระพุทธเจ้ากําลังเทศแล้วก็มีบรรดาประชาชนนั่งฟังเทศอยู่มากถึงแม้ว่าจะเป็นขอทานบรรดาแทนบริษัททุกท่า น, ธธานความเป็นผู้มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่าเจ้าย่อมมีเป็นของธรรมดา เรื่องการศรัทธาความเชื่อภาษาท่าความเ่ิมใสอันนี้ห้ามกันไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเลือกฐานะในการโปรดเธอก็นั่งอยู่ไกลกว่าคนอื่นเขาพอดีเสียงสมเด็จพระสัมมาทัพพิตรเจ้าได้แต่ความจริงพระพุทธเจ้าเวลาเทศทรงมีปาฏิหาริย์พิเศษคนจะนั่งไกลคนจะนั่งไกลคนจะนั่งแอบ อาม่านบางสักสิบชั้นยี่สิบชั้นนั่งกันฟ้านั่งหลังเขาก็ตามถ้ามีความเร่อบใสในพระองค์แล้วเสียงก็องค์สมเด็จพระบพิธีแก้วจะถึงเขาเสมอและก็มีความชัดเจนแจ่มใสท่านสุ ป, ปาพุทธคุธินี่ก็เช่นเดียวกันฟังเทศเจ้พระพุทธเจ้าไม่ยด้นั่งไกลแสงไกลจากคนอื่น แล้ก็ฟังได้ชัดเจนแจ่มใสมีความเข้าใจในบัธรรมศาศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศโปรดความจริงการฟังเทศบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่านั่งฟังเฉยเฉยเดี๋ยวฟังแต่เรื่องท่านที่ฟังแล้วจบหรือไม่ทันจบบรรลุมรรคผลนั้นท่านสร้างความเข้าใจไปกับกระแสคาพูดนั้นด้วย เสียงคำพูดที่พูดมาแล้วก็คิดตามใช้ปัญญาพิจรารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ดีหรือไม่ดีถ้าดีแล้วขอถือเอาเอาไปปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านสุภาพูท ธ, ธากติพอพระพุทธเจ้าเทศจบก็ปรากฏว่าท่านบรรลุปะโสดาบันหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพักวันก็เสด็จกลับแล้วก็ บรรดาประชาชนก็กลับท่านสุปปพุทธกุฏิก็กลับกลับมาถึงกระท่อมน้อยที่ตนอาศัยอยู่ก็ น, นอนคิดถึงองค์สมเด็จพระบรมครูมีปีติคือความอิ่มใจมากที่ฟังวัฒธรรมเทสนายข้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้ เริ่มใจก็คิดว่าองค์สมเด็จพระจอมใจถ้ารู้ว่าเราเป็นขอทานและก็เป็นโลกเรือนแต่ว่าทรงทราบว่าเราเป็นปะโสดาบันท่านจะดีใจมากจึงคิดว่าในตอนเช้าจะไปเฝ้าองค์สมเด็จโตผู้มีพระภาคเพื่อกราบทูลให้ทรงทราบตอนเช้ากินข้าวเสร็จก็ตั้งไปหาองค์สมเด็จโตพู้มีพระภาคเจ้าทันที แต่ว่าพอออกไปจากกระท่อมก็ไปพบพระอินทร์ซึ่งลอยขวางหน้าอยู่แสดงพระองค์ชัดว่าเป็นพระอินทร์ตอนนั้นอย่างเป็นตัวเขียวเขียวเพราะว่าเขาทราบกันว่าพระอินทร์ตัวเขียวพระอินทร์ก็ถามว่าสุปาพุทธกุฏิถ้าผู้ภาษาไตยก็ต้องเรียกว่าท่านสุปาพุทธหรือเธอสุปาพุทธขี่เรือน กฏินี่ก็เป็นโรคเรือนว่าสุปาพุทธากุฏิหรือท่านสุปาพุทธาขี่เรือนเวลานี้เธอจะไปไหนอาจะมาใช้ทราบผิดไปนิดคําว่าเธอก็ต้องไม่ไม่ใช่ท่านก็ไม่เป็นไรสุปาพุทธากุฏิก็กลับบอกให้ทราบว่าเราจะไปเฝ้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอินทร์ท่านถามว่าการที่จะเข้าไปเฝ้ามีความประสงค์อย่างไงพระก็บอกว่าวา น, นี้เราฟังเทศเราได้เป็นประโสดาบันวันนี้เราต้องการจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพักวร์วันเพื่อกราบทูลในโสซากพระอินทร์ก็ตัานก็กวิสูจน์กำลังใจเพจราะพระอินทร์จริงๆท่านเ ป, ป็นระโสดาบันเวลานั้นท่านเป็นบสุดาบันเหมือนกัน ก็ทราบบุคคละสมที่เป็นประสมดาบันว่ามีกําลังใจแบบไหนจิงบอกว่าสุปาผู้ทธกติีหนึ่งเธอเป็นโรคเรือนสองเป็นข้อทานยากจนถ้าเธอพูดตามเราพูดแม้ไม่ตั้งใจก็ตามเราจะบันดาลให้เธอหายจากการเป็นโรคเรือนเราจะบันดาลทรัพย์จากสวรรค์ให้เธอเป็นมหาเศรษฐี ท่าสุปาพุทธะก็ถามว่าจะพูดอย่างไงท่านก็บอกว่าพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะไม่ต้องตั้งใจพูดพูดเฉยๆก็ได้พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แค่นี้ก็พอถ้าพูดใดตามนี้เราจะบันดาลให้เจ้าหายจากโรคเรื้อนทันทีมีรูปร่างหน้าตาส飒สวย แล้วก็จะบรดาลทรัพย์จากเมืองสวรรค์ลงมาให้เอาเท่าไรก็ได้ให้เป็นมหาเศรษฐีรวยกว่าใครทั้งหมดพอพูดจบท่านสุปปากพุทธากุิก็ชี้หน้าว่าพระอินทอยจนถอยไปการกล่าวคำอย่างนั้นไม่มีสำหรับเราเรามีความเชื่อเรามีความเรื่มใสในสมเด็จตระสมาธิพระเจ้าในพระธรรมแัชพระอริยสงฆ์แน่นอนที่ท่านบอกว่าเราเป็นคนจน สำหรับโลกยาทรัพเราจนจริงแต่เรามีความอดมสมบูรณ์อริยทรัพ์คือคุณธรรมเธอท่านยังถอยไปเท่านีน้พอพระอินทร์ท่านมั่นใจว่าคนนี้เป็นประโสดาบันแน่ท่าก็หลีไปเลี้ยวเรื่องนี้มาพูดให้ฟังก็เป็นการเปรียบเทียบของเกิดกำลังใจเขาบรนดาท่านพุ้บริษัทว่าการที่ได้ฟังเทปมาแล้วก็ดี เล้กเคยอ่านหนังสือเรื่องนี้นารกกาก็ดีกําลังใจของท่านมีความไม่นคงแบบสุภาพขุทธกุติไหมสําหรับพระสงฆ์บรรดาแทพพุทธบริษัทก็ต้องเลือกไม่ใช่ว่าคนที่ไปมาโสดาบันและจะเลื่อมใสพระหัมม์พระเหลืองเสมอไปมีความเลื่อมใสจริงสําหรับพระดีตัวอย่างพิสูจชาวโกสัมพีทะเลาะ ก, กันเขาพระเจ้าทรงห้ามไม่ฟัง พรรษานั้นพระพุทธเจ้าเสด็จดดไปเมืองอืน่นหลีกไปเสียไปป่าในลายกะไปโปรดช่างในลายกะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าบ้านเห็นว่าพระองค์ทมเด็จพระสงฆ์สวัสดิท์ทะเลีกไปพระพระทะเลาะ ก, กันในเมืองนั้นท่าบอกว่ามีพระอริยเจา้าที่เป็นครวา่าที่เป็นชาวบ้านนะ ชาวบ้านที่เป็นพระอริยเจา้ท า, า, า, า, าจนนทั้งหมดสูดาสิกิาคานาคานับจานวนแสนคนท่านที่เป็นพระอริยเจ้าทั้งหมดไม่มีใครใส่บาตรให้พระพวกนั้นกินเลยพระผู้นั้นจะได้กินแต่ข้าวที่ชาวบ้านที่ไม่ได้เป็นพระอริยอริยเจ้าเท่านั้นทางนี้พระอรไยพระพระอริยะย่อมมีความฉลาด ไม่ใช้ศั์ว่าชั่วช่างชีดีช่างสงยังไงยังไงก็เกรงใจพระเหลืองอย่างนี้มันไม่ถกคือรวมความว่าคนที่เป็นประโสดาบันจริงๆตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป <c oughs> มีความมั่นคงในการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจใคล้ายกับสุปาเหมือนกับสุปาพพุทธกุฏิทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็ขอบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนดูกำลังใจของท่านแต่ว่าการจะยอมรับนับถือก็จงอย่าลืมนะเอาตัวอย่างพระอริยเจ้าที่เป็นชาวบ้านในเมืองโกสัมพีดูว่าถ้าดีสมควรล้วก็ยอมรับนับถือถ้าเห็นว่าดีไม่สมควรก็ไม่ต้องให้อะไรกินเลย แบบพระอริยเจ้าเมืองโกสัมพีก็แล้วกันแล้วต่อไปตามองคตามบาลีท่านบอกว่าคนที่เป็นประโสดาบันทรงศินห้าบริสุทธิ์ผุดพองแต่ว่าถ้า ม, มาพิจรนารณาแล้วว่าคนที่เป็นประโสดาบันคือพระอริยจเจ้าเบื้องตน้นไม่ทรงแต่สินห้าอย่างเดียวสมายความมีกำหนดศิษเข้าครอบงํ า, งาด้วย รือว่าคำบทสิบนี้มีกนในกำลังใจของท่านด้วยจะเห็นว่าคนที่เป็นปะโซดาบันอย่างนาวิสาขาก็ดีอย่างใครก็ตามเถอะมีความมั่นคงในการบริจาคทานอย่างยิ่งหมายความว่าพระเจ้าจะมีความอดอยากในการใดก็ตามทีถ้าอดแบบไหนถ้าไม่เกินวิสัยให้อย่างนั้น นนตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรยทรยงบังคับพระว่าถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆห้ามขอของใช้จากท่านที่เป็นพระเสขาบุคคลเรือในเดกกุลที่เป็นประเสขาบคุคคลคําว่าเสขาทิมันดาแทนพุทธบริษัท <c oughs> แปลว่ายังต้องมีการศึกษาอยู่อาเสขะ แปลว่าไม่มีการศึกษาแล้วทั้งคำภาษาคาหมายความตั้งแต่พระโสดาบันและพระสีทาคามีและพระนาคามีอย่างนี้เรียกว่าพระเาขาบุคุณถ้าหากเป็นพระอรหันต์เรียกว่าอาเสขาบุคุณคือไม่ต้องตัดกิเลสต่อไปกิเลสหมดแล้วไม่เห็นได้ว่าแต่กูลที่เป็นพระโสดาบัน บรรเทาความโลภ ก, การบรรเทาความโลภในบรรดาทางพุทธบริษัทเมื่อความโลภคลายตัวลงมากเท่าไรจิตใจในการบริจาคทานก็เข้ามาแทนที่ความโลภที่มีอารมณ์อยากได้ทรัพย์สมบัติเพร า, าคนอื่นมาโดยไม่ชอบทำอารมณ์นี้ไม่มีตั้งแต่เรื่องต้นของพระโสดาบัน เมเป็นบระวนดาบันแล้วไม่มีความโลภแน่ความโลภคําว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะ่ะเพาว่าแต่ว่าเราเฉพาะโลภโลภที่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเป็นโดยมาเป็นสมบัติของตัวโดย่ไมชอบทำไม่มีในบส่วนดาบันแน่แต่ว่าการต้องการความร่ํารวยในทรัพย์สินยังมีอยู่แต่ว่าการร่ำรวยด้วยสัมมาชีวะคือเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรำ ไม่คดไม่โกงไม่ลักขโมยไม่ฆ่าสัตว์ต่ชีวิตหา ก, กินได้ความสุจริตด้วยการน้ำผงยังมีอยู่สำหรับพระโสดาบันอาการอย่างนี้เป็นบรรดาแต่พุธบริษัททุกท่านเห็นว่าจะคิดว่าพระโสดาบันมีแต่เพียงสินห้านั้นไม่ถูกถึงแม้บาลีบ า, บางอย่างจะบอกว่ารักษาแค่สินห้าโดยเฉพาะก็ตาม อันนี้ความมั่นคงท่านมีแน่การอาสาสินห้าแต่ว่าโสดาบันไม่มีเฉพาะสินห้าแน่ในสินห้ามีบอกว่าอธินาธามนาเวรมณีเราจะงดเว้นไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมการงดเว้นเฉยๆอารมณ์ก็ยังหนักอยู่ ในสําหรับเปกูลได้เป็นประโสดาบันมีความมั่นคงในฐานบา ร, รมีจะเห็นว่าทุกคนที่เป็นปโสดาบันในไม่มีอาการหวงด้านบุญกุศลแม้จะจนแสนจนก็พร้อมในการยอมให้นี่เป็นข้อหนึ่งที่จะพิจารณาได้ว่าโสดาบันก็มีกำหนดสิบข้อที่เรียกว่ามโนกรรมข้อที่หนึ่งเข้าไปรประสานอยู่อย่างมาก และอีกรายการหนึ่งสำหรับระโสดาบันเจนได้ชัดวระโสดาบันนี้ก็มีการบรรเทาวความโกรธแต่อาจจะบรรเทาวความโกรธน้อยกว่าสกิทาคามีคนที่เ ป, ป็นระโสดาบันจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะพิจรารณากันได้จากอารมณ์ ที่พูดอย่างนี้พูดบรรดาท่านผู้ตบริษัทพิสูจน์กำลังใจของท่านเองเพราะอาตมานาสงสัยว่าเวลานี้หลังจะกึ่งพุทธประการมาแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายมี่ความแกล้งกล้าในการบาเพ็ญกุศลกันมากไม่ใช่ว่าจะทําบุญเฉพาะวัดท่าสูงไม่เทีย่ยงนั้น หลังจากเก่งพุทธการแล้วหลายปีอาตมาจะเริ่มสอนคนในการเจริญพระกรรมฐานก่อนหน้านั้นหลายปีทัานดังหลายที่อยู่ในกรุงเทพก็ดีในต่างจังหวัดก็ดีถึงวาระสำคัญวันความพุทธศาสนาก็ดีหรือว่าพระองค์ใดที่มีความดีคนนี้ก็อยอมรับนับถือได้ท่านก็ไปจะเป็นตับ เรืรถเป็นสิบสิบคันไปรถคันใหญ่รถคันเล็กไม่จํากัดการทอดกระทิงการทอดปลาปา่าในการก่อนไม่มีการสู้ซาบมากมายอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปกันหนักแล้วก็บรรดาที่วัดไหนมีการจะสอนพระกรรมฐาน <c oughs> ท่านก็ไปขนาดหนักนือว่าทุกวัดที่มีการสอนพระกรรมฐาน แต่ละวัดไม่ขายคนที่จะเยลยพระกรรมฐ า, านถ้าเป็นวันสำคัญวัดไม่พอจะบรรจุคนนี่กำลังใจขวัรดาแต่พระพุทธศาสนิกชนมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาขนาดนี้ก็ชักสงสัยว่าความดีของท่านที่เข้าไปถึงพระโสดาบานันชีทาคามีคงมีไม่น้อย แ้วก็มีบางท่านที่อาจไม่เข้าใจว่าพระโสดาบันน่ะเป็นยังไงอาตมาก็ขอพูดนิดนึ่งที่ที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมีหลายคนที่มาหาตมาถามในปฏิปทาของท่านให้ความนิ่มนวลของจิตมีความเยือกเย็นของอารมณ์ก็ชักสงสัยว่าท่านบนนิ่มหนึ่งไม่ลืมงความตาย สองมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จริงสามมีศีลห้าบริสุทธิ์จริงแล้วก็สี่มีอารมณ์ก็หมดสิบเข้ามาแทรกใจอยู่มากถ้ามีความเห็นถูกคือไม่คัดทานคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคันลองอ้อมไปอ้อมมาคุยอ้อมไปอ้อมมาไม่ถามตรงๆในที่สุดก็รับเป็นความจริงว่าเป็นไปตามนั้น ที่ท่านรับแต่ถ้านไม่รับอาจจะมาไม่ได้บอกว่านี่ท่านเป็นมโสดาบันนะไม่ได้บอกอย่างนั้นคุยกระเหลี่ยมกเหลี่ยมเข้าไปถึงว่าความรู้สึกว่าเราจะตายมีไหมพระพุทธเจ้าก็ทำพระอาริยสงฆ์ควรจะยอมรับนับถือไหมแต่ไม่พูดตรงแบบนี้นิ่มตรงไปเรียกว่าเรียบเคียงไปให้ยาของไม่รู้ตัวเจ้าตัวไม่รู้ตัวแต่ว่าคนทุกคนไม่ใช่คนง้อาจจะมาไม่มีความรู้สึกว่าใครง้ มีความรู้สึกจริงๆว่าคนทุกคนในโลกนี้ฉลาดทั้งหมดคนที่ไม่ฉลาดคนนั้นก็หาอะไรกินไม่ได้คนนึงยังสามารถเลี้ยงตัวเองได้ทุกคนย่อมเป็นคนฉลาดแต่ความจนหรือความงโง่หรือความฉลาดไม่ได้วัดฐานะกันไม่มีความจําเป็นพูดไปก็มากเวลามันลายมันใกล้จะหมดในที่สุดก็จับได้ว่าท่านสรงอารมณ์ตามนี้จริง นี่สำหรับผู้คนผู้เข้าเขตประสูดาบันบรรดาท่านพุทธบริษัทพิจารณากําลังใจตามนี้นะคนที่เข้าเขตเประสูดาบันอันดับแรกย่างเข้าสู่โคตรภูญานคําว่าโคตรภูญานนี่จิตอยู่ระหว่างโลกิยะกับโลกุตระเหมือนก็ลําลังเล็กๆที่ยืนคล่องในสงขาขานี้ฝั่งนี้ขาโน้นจะฝั่งโน้น ยังจะถือว่าเป็นปะโสดารันเป็นโลกุตระก็ไม่ได้เป็นโลกิยะโพทรงชานเฉยๆก็ไม่ถูกแลว้ววางที่ยืนคล่อมอารมณ์สองอารมณ์ทั้งโลกีและโลกุตระท่านเรียกว่าโคตรภูยาณตอนนี้กำลังใจจะรักพระนิพพานอย่างยิ่งคือไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์เป็นวนดาถ้าผมจิตต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพาน ตอนนี้เป็นโคลระพูยานหลังจากนั้นเมื่ออารมเข้าถึงพระโสดาบันอารมณ์ธรรมดาคือความเยือกเย็นขคงใจจะเกิดขึ้นมากกว่าปกติที่แล้วมานั่นมีความรู้สึกในด้านความโลภความโลภนี่การทํามาหากินเป็นของธรรมดาแ้วยความสุจริตธรรมการอยากได้ทรัพย์สมบัติของอออนคนอื่นใดกลัวคนอื่นใดไม่มีอีกแล้วจิตหายสลายตัวจากอารมณ์นี้ ต้องการอย่างเดียวก็หากินโดยสุจริตธรรมแล้วก็เป็นการดิสอนกำลังของความโกรธความโกรธที่ยังมีแต่อาการยับยั้งมีมากความโกรธรู้สึกว่าช้ากว่าเก่ามากแล้วอารมณ์ก็ไม่ฉุนเฉียวเท่าเดิมแล้วก็หายเร็วต่อมากำลังของความหลงไอ้ความหลงในชีวิต ร่างกายยังมีในวัสดาบันอยู่บ้างแต่ท่านไม่ได้ลืมความตายมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าชีวิตนี้มนันต้องตายถ้าจิตใจไม่ลมทรงตัวถ้าท่านที่ได้วิชาสองในวิชาสามคือได้ทิจจุกุยานเวลานั้นความเป็นทิพของท่านมาก่อนหน้านั้นท่านจะไม่เห็นภาพนิพพานเลยจีนเฉพาะตั้งแต่สวรรค์ไปถึงพรหม พอจิตเข้าถึงโคตรภูยานจะสามารถเห็นนิพพานในชัดเนจนแจ่มใสมากสำหรับท่านที่ได้ปัญญายังไม่เข้าเขตพระโสดาบันท่าไม่สามารถจะเข้าเขตนิพพานได้ยังเก่งก็ไปถึงฟมชั้นที่สิบหกด้วยรูปภพพรมพอกำลังใจเข้าถึงเมื่อโสดาบันเข้าเขตปณิพันธ์ในสบายแล้วก็สำหรับท่านที่บอกว่านิพพานไปไม่ได้เห็นไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสหนาะ ถ้อยกิเลสหนาะมันบังใจจิตสุปบกไม่สามารถจะไปได้อล บ, บัรดาแทนพุทธบริษัททหลายหวังว่าท่านทั้งหลายคงไม่สงสัยในอารมณ์ของท่านเวลานี้มองดูเส้นขั้นริกราบอกหมดเวลาพอดีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ลจงมีแดดบรรดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี